ดีๆขนาดนี้ทําไมพ่อคุณว่าจะเสียเลยกันเนี่ยก็จะไปกันใหญ่ใช่ไหมแต่สรุปแล้วตอนนี้ก็คือว่ารูปปั้นของเราท่านทั้งหลายเป็นที่ตั้งของโทสะเป็นส่วนมากน้าเข้าน้าเข้าลูกหลานก็ราคาญผู้เกี่ยวข้องก็ราคาญเป็นที่ตั้งของหน้านะเพราะมองไปตรงไหนมันไม่เหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนแปลงหมดแล้วทั้งหลงหน้าลืมหลังน่ะเข้าก็จะเป็นคนแก่ๆคนหนึ่งเงะงะเงคนหนึ่ง แล้วก็ทำอะไรก็ไม่ได้เราลองนองดูอีกสักยี่สิบปีข้างหน้าเราจะเป็นอย่างนั้นนะถ้ายังมีชีวิตอยู่เนะี่ยก็กลายเป็นยายแก่คนหนึ่งนะนะไปไหนก็ไม่ได้งกๆเงา่เงินเงินเป็นที่รังเกียจของเครือญาตทั้งหลายก็อันเนี้ยนี่ไงเป็นที่ตังทุกแท้แล้วนะ่ะเขาก็จะตายไปนะ แล้วก็ไปเกิดใหม่กันก็แบกขันธภารักยกขันธภาระขึ้นมาใหม่อีกนี่แหละไม่พ้นจากชาติทุกในส่วนตนเองและในส่วนของบุคสัตว์อื่นทั้งหลายที่ยังไม่รู้อีห น, อนุ่ยเน่ก็ชื่นชมนักคนผ่านทั้งหลายยินดีนักะยินดีนักยินดีมากว่ากันมาชื่นชมยินดีแล้วก็กอดตายไปกับสิ่งที่ตนเองยื่นชื่นชมยินดียอมรับไม่ได้บางกลุ่มก็ถ้าตนเองแก่จนเกินไปแล้วก็ ไม่ยอมดูภาพในกระจกไม่พยายามดูไม่พยอมยอมรับความจริงว่าตนเองมาขนาดนี้แล้วน่าจะปรงภาระก็ไม่ยอมปลงอย่าว่าจะให้คิดเลยแค่จะให้ยอมรับยังไม่ยอมรับแล้วอันนั้นก็อันนั้นกลุ่มที่หนาแล้วนะตรงนี้ต้องหากความว่าเธอบอกปีเดิรหาโถนี่นะเป็นที่ตั้งของว่าชาติทุกปีรดิาโถอย่างไรชร า, าทุกปีเิโถอย่างไง พยาธิทุกปีรณโถอย่างไงแล้วก็มรณทุกโสกกาพริเทวทุกขโทมนะสาอุปายาตแต่ละจุดของทุกขต่างๆ ท, ท, ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยว่าเบียดเบียนยังไงนะเบียดเบียนยังไงหรือประการต่อมาก็คือเร่าร้อนยังไงใช่ไหมเป็นต้นอันนี้ก็ไปไข้ควรเบียดเสร็จแล้วก็วิปริตยังไงเนะี่ยไปไข้ควรว่าอันดับแรกนั้นเป็นทุกจริงอันดับต่อมาก็คือไข้ควรไปถึงมรคยังไง ค่ควนไปถึงสมูทไทยยังไงที่เป็นที่ประชุมยังไงใช่ไหมว่าโรงงานของตันหาทั้งหลายเป็นตัวผลิตชิ้นส่วนของทุกษัตริย์มายังไงโรงงานกล่าวคือตันโรงงานกล่าวคือตันหาคือสมูทไทยเนี่ยมันผลิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะผลิตชิ้นส่วนของสัตว์ทั้งหลายนี่นะรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เรารับแบกขันธภ า, าระอีกเยอะหมดเลยแล้วเราไปสร้างสมูทไทยคือสร้างเหตุของทุกไว้อย่างมากมายแล้ว ในสังสารวัตที่ผ่านมาเกินยี่สิบเกินสี่สิบเกินแปดสิบที่ผ่านมากรรมเหล่านั้นยังรอหมดโรงงานที่ผลิตเหล่านั้นยังไม่ถูกทําลายเลยและมันพร้อมที่จะให้นะนั่นเรามีขันให้เลือกเต็มไปหมดโดยเฉพาะขันในการอาภูมิต่างหลายนี่นะหลายชนิดมากจากกลุ่มของเปรตนี่ก็โววิจิตจัดกลุ่มของพวกสัตว์เดรัจฉานกระแสนวิจิตพิสดาร น, นะที่เราได้ผลิตไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเช่นส่วนเหล่านี้ เหลือแต่เพียงว่าเมื่อไรมันจะได้โอกาสในการประกอบชิ้นส่วนรถอันนี้ออกมาวิ่งน่หละแล้วลของมนุษย์เนี่ยโอ้โหทาไว้ทุกประเภทตั้งบ้าใบบอดนวกอะไรเยอะแยะมาเลยนะแล้วประเภทที่พี่คนพิการประเภทที่ปัญญาทึบปัญญาน้อยปัญญามากเนะี่ยทไว้หมดโรงงานเหล่านี้ชิ้นส่วนเหล่านี้แปลว่าเรียบร้อยเบสเ็จแล้วเพียงแต่ว่ามันจะประกอบเมื่อไรที่จะออกมาวิ่งในเมื่อไรรอจังหวะวิ่งอยู่นะตอนเนี้เนะี่ยเขาเห็นไหมมันรอจังหวะวิ่ง มันเดี๋มนออกมาวิ่งเพ่นพ่านจะได้เพราะใกล้จะตายปั๊บมันเสนอแล้วมันออกมาเสนอแล้วเนี่ยมันจะมีพวกกลุ่มกลุ่มนายหน้าทั้งหลายมานําเสนอแล้วตอนนั้นเราประเภทที่เบลอหมดแล้วประเภทที่เบลอหมดแล้วความหลงก็ครอบงําอย่างรุนแรงแล้วคิดดูเนะยเห็นอบัยสัตว์ดีได้อ่ะเห็นขันของอบัยสัตว์โหงามได้ลองคิดดูแล้วก็ยึดถือพวกอวัรรยวะสัตว์ก็ออกมาวิ่งมาเพ่นบรรพานกันเต็ ม, มในโลกใบนี้เนี่ย น, ะนั่นแหละ โหน่ารังเกียจนักทุกข์สัตว์นี่น่ารังเกียจนักแล้วตีไม่ได้อะแล้วมันเราเราไม่เคยทําลายโรงงานนี้ได้เลยนะในสังสารวัตรที่ผ่านมาเนี่ยค้นเขายังไม่เจอเลยอ่ะใช่ไหมถ้าคนเองต้องใช้สัมมาสัมโปวียาณค้นน่คนที่ต้องตัดสรูเเ้เป็นพระเทเจ้าเป็นพระบาเจกพระเเจ้าเนี่ยโอ้โหต้องคนเองได้นอกนั้นระดับอย่ี่สิสาวกโหระดับสาวกยังเล่นยากแล้วใช่ไหมยังเล่นยากแล้ว ลองมองคิดดูแม่เล่นผลิตโรงงานกันมาเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมชิ้นส่วนที่ประกอบไว้เพียบหมดและทุกวันม่งไม่ยอมหยุดประกอบกันอีกเออยังไม่ยอมหยุดประกอบ ไ, อ, อ, อ, อ, ไ, อ, อ, บไอชิ้นส่วนตัวนี้ตัวสมุทรยศสจาขยันทางานดีจังใช่ไหมขยันมากไอตัวตันหามานะทิธีตัวบาป อ, อกุศลธรรมอลาโมงนี่ขยันมากเขาทำกรรมผลิตเรืเ่อยๆ เ, เลยนะวันหนึ่งวันหนึ่งขนาดมาศึกษาพระธรรมแล้วแม่เขายังผลิตอยู่นั่นแหละ อ่าถ้าในปฏิสนธิการไม่ได้เขาผลิตในวัติการออกสิเขาให้ทุกจุดเลยอ่ะทั้งในปฏิสนธิการของรือวันนี้เนี่ยเอาแค่วันนี้ที่ผ่านมาแหมผลิตโรงงานที่เป็นชิ้นส่วนมาไม่รู้กี่ชิ้นส่วนแล้วใช่ไหมบอกโอ้โหน่ากลัวมากลองคิดด้วยแต่เป็นอะไรที่ไม่ใช่วิเศษอะไรหรอกเป็นอะไรห ย, ยาบหยาบแต่ทนนะใช่ไหมทนมากลงไปได้แขนได้ขาได้หน้าได้ตาได้รูปประกันของ ของของสัตว์นรกโอ้ยทนมากไฟเผาไม่ไหม้ชอบไหมไฟเผาได้ร้องได้เจ็บปวดได้แต่ไม่ตายนะเป็นมนุษย์พันธุ์อมตะอ้ร้องน่ากลัวมากใช่ไหมเอาสิไปวิ่งไปร้องกันอยู่นั่นแหละนี่ไงทุกขสัตถ์ท่านมองแบบนี้ท่านคิดแบบนี้ท่านเข้าใจอย่างนี้ท่านเห็นแบบนี้ท่านเห็นทุกขสัตถ์ถ้าเห็นแบบนี้ถ้าถ้าไม่ใครควรไม่พิจารณาไม่เห็นอย่างนี้ แล้วแล้วมันจะสะดุ้งจะเทือนในการที่ประกอบมากได้ไงใช่ไหมถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็โอ้โ oh, ห oh, oh อย่างเงี้ยอนอนหลับสบายดีไหมถ้าเข้าใจอย่างนี้ตลอดอยู่ล้วใช่ไหมขนาดฝันมันยังเข้ามากระซิบในความฝันจะเอาจะเอายี่ห้อ น, นี้ไหมล่ะมันมาเข้ากระซิบบใช่ไหมยี่ห้อแบบไหนแบบแบบท่านเทวทัศน์นะยี่ห้อ น, นี้น่าสนใจนะอะไรแกโอ้โห oh. เนาะเพราะเเคยทํานี่ยเคยทำกรรมหนักๆมปเยอะอยนี่เรายังมีเชื่อของความโกรธรุนแรงมากใช่ไหมเคยโกรธใครจนตัวสั่นไหมละ่ะโกรธจนลืมเนี้ยลืมตัวเคยไหมละ่ะใช่ไหมแล้วเคยโลภอย่างสุดๆเคยไหมละ่ะแบบตั้หาทํางานอย่างรุนแรงเลยแลแบบห ย, ยาบหยาบอ่ะยองไปนั่งวิจัยด้วยเนะี่ยแล้วขันเหล่านั้นนะ่ะแปลว่าสำเร็จแล้วเอาสิใช่ไหมรออย่างเดียวแค่นั้นแหละ รออย่างเดียวเมื่อไร่จะเขาจะผลิตเอาขายได้เน่ยไปว่าเขาประกอบไว้เสร็จสาบเรียบร้อยแล้วรอนำเสนอแล้วเราก็เนี่ยคือผู้ผู้ผู้ประกอบผู้ซื้อผู้บริโภคนี่ก็เรียกผู้บริโภคเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้ไม่น่าไปสร้างไว้เลยเนี่ยนี่ทุกนะ์ย่อมเป็นอันกล่าวถึงนิโรธสมุทัยสัจจะนะ ก็ผลสําเร็จได้โดยการกล่าวถึงเหตุจริงย่อมเป็นการกล่าวถึงนิโรธาสัจจะและทุกขสัจจะเนาะทุกขสัจจะเป็นผลพอรู้นิโรธาสัจจะสาวไปหาเหตุของนิโรธสัจจะก็คือมรรคเนาะพอรู้ทุกขสัจคืออุปาทานขันก็สาวไปหาเหตุก็คือสมุทัยยะสัจจะฉะนั้นมรรคสัจจะก็มีผลคือนิโรธาสัจจะเนาะมรรคสัจจะเป็นเหตุสมุทัยยสัจจะก็เป็นเหตุของทุกเนะ ทำที่ควรทําให้แจ้งเราก็ได้ทําให้แจ้งแล้วทำที่ควรรอบรู้เราก็ได้กําหนดรอบรู้แล้วได้รวมความอยู่ในคาถานี้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นพระผู้มีประพาธเมื่อจะทรงแสดงอริยสัจสี่กล่าวคือทุกสมุทัยวิรูปนิโรธมรรคแล้วก็วิมุตนะวิมุติกล่าวคืออริยผลแห่งการเจริญสัจจะสี่จงบริบูรณ์เบ็ดเสร็จแล้วก็ถึงยังพุทธภาวะให้สําเร็จเนาะการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยเหตุอันสมควรว่าเรารู้ทำที่ควรรู้แล้วจึงเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นต้น ในข้อต่อไปนะในข้อของในคาถาอ๋อในในนี้ท่านไม่ใส่ข้อเขาว่าในสมันตะไม่ได้ใส่ข้อเขาไว้นะแต่ในชั้นของดีกาเขาใส่ข้อเขาไว้ในบรรดาคําเหล่านั้นคำ ว, วิชาได้แก่อะไรวิชาในที่นั้นได้แก่อริยมร์นะได้แก่อริอรยมร์ท่านกล่าวถึงวิชาในมีมร์ วิชาในโสดาปฏิมักสกาธาคามีมักอนาคามีมักอนาธรรมมักถ้าถามว่าพระบรมศาสดาตัดสรู้โนตระสัมมาสัมโพธิญาณตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถามว่าพระุทธเจ้านั้นต้องบรรลุเป็นไปตามลำดับแห่งมักไหมต้องเป็นเนอต้องได้โสดาปฏิมักสกาธาคามีมักอนาคารมักอนาธรรมมักเนอะไม่ใช่โดดข้าม